ก็จะถึงวันสิ้นปีนั่นก็หมายถึงว่าปีนี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วและปีใหม่ก็กำลังจะมาหลายคนจะรู้สึกเลยนะว่าเวลามันผ่านไปเร็วนะเพิ่งฉลองปีใหม่กันเมื่อไม่นานมานี้เองนี่เราก็กำลังจะฉะลองปีใหม่กันอีกแล้วหรือนี่อจะรู้สึกว่ามันเพิ่งผ่านไปไม่กี่เดือนนี้เองนะ ฉลองปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าและยิ่งอายุมากเนะี่ยความรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วเนี่ยเมื่อมองย้อนกลับไปมันจะชัดเจยนยิ่งขึ้นคนยิ่งอายุมากหรือว่าถึงวัยชาราเนี่ยมองย้อนกลับไปนะถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันรู้สึกวเวลามันผ่านไปเร็วอันนี้ต่างจากเด็กๆนะ เด็กเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแต่ละปีแต่ละปีมันผ่านไปช้าแต่ที่มันแปลคือว่าสำหรับคนที่อายุมากหรือคนแก่เนี่ยวันแต่ละวันเนี่ยมันจะผ่านไปช้า ท, ทั้งทั้งที่เวลามองย้อนกลับไปยังอดีตหรือว่ายังมองไปยังปีที่ผ่านไปดูเหมือนว่ามันพึ่งไม่นานมานี้เองแต่ ถ้าพูดถึงแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันกลับเป็นไปอย่างเชื่องช้าในขณะที่เด็กเนี่ยแม้เขาจะรู้สึกว่าแต่ละปีผ่านไปนะอย่างเชื่องช้าแต่ว่าความสู้สึกเขาในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันกลับผ่านไปเร็วอันนี้มันก็แปลกดีนะหมายถึงเป็นอย่างนั้นนะว่าสาหรับเด็กเนี่ยนะ แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมีอะไรทําเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนเดี๋ยวก็เล่นกับเพื่อนเดี๋ยวก็ไปกินขนมนะเดี๋ยวก็ดูหนังดูโทรทัศน์แต่ละวันต่ละวันมีอะไรทำเยอะแยะไปหมดเขาก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วเรื่องที่คนแก่เนี่ยเดี๋ยวพอถ้าแก่ประเภทเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยหรือเก้าสิบเนี่ย วันวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนั่งอยู่กับบ้านนะหรือไม่ก็นั่งดูโทรทัศน์บางทีนั่งแช่หรือไม่ก็นอนแช่จะทำโน่นทำนี่บางก็ไม่มากกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันมันน้อยนะแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะซ้ำซากจำเจเขาก็เลยรู้สึกว่าแต่ละวันเนี่ยมันผ่านไปช้า นะครัที่เวลามองย้อนกลับไปยังอดีตไปยังปีที่แล้วไปยังสองปีที่แล้วก็รู้สึกว่ามันเพิ่งไม่นานมานี้เองนี่นะในปีหกสี่หรือว่าหกสามเนี่ยเพิ่งไม่นานมา น, า น, มานี้ดูมันเร็วอดีตนี่ผ่านไปเร็วแต่ปัจจุบันนี่ผ่านไปช้าใตรงข้ากับเด็กนี่แต่ละวันนี่ผ่านไปเร็วนะแต่ว่าแต่ละปีที่ ผ่านไปนี่มันช้าทําไมถึงรู้สึกว่าแต่ละปีมันผ่านไปช้าสำหรับเด็กในขณะที่ผู้ใหญ่ในแต่ละปีเนี่ยรู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วอันนี้ก็เพราะว่าปีหนึ่งปีหนึ่งสหรับเด็กเนี่ยโดยพอสมมติว่าเป็นเด็กแปดขวบเนี่ยนะปีหนึ่งเนี่ยมันก็หมายถึงหนึ่งในปลของชีวิตนะในขณะที่ คนชาราพูดคนเฒ่าคนแก่อายุ80เนี่ยหนึ่งปีเนี่ยที่ผ่านไปมันหมายถึงหนึ่งใน80ของชีวิตมันเป็นสัดส่วนที่เล็กน้อยก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งปีมันผ่านไปเร็วสำหรับคนแก่ที่ <c oughs> <c oughs> หนึ่งปีสำหรับเด็ก8ขวบนี่มันผ่านไปชา้าเพราะมันเป็นเวลาที่ยืดยาวมาก แต่ว่าก็มีเหตุผลอีกประการหนึ่งนะอันนี้ผู้รู้เขาก็อธิบายว่าสาหรับคนที่อายุมากเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านไปที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรที่แปลกใหม่เท่าไหร่สมสมติคนอายุ80เนี่ยปีที่แล้วคืออายุ7จหรือสองปีที่แล้วคือต่อยุจเนี่ย มันก็ไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรเท่าไหร่กิจกรรมก็ไม่ค่อยได้มีอะไรมากมันเหมือนเหมือนกันสองสามปีที่ผ่านมาหรือสี่หปีที่ผ่านมาหรือสิบปีที่ผ่านมามันมันเหมือนเหมือนกันซ้าๆกันความรู้สึกก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สั้น 1ปีหรือสองปีเป็นช่วงเวลาที่สั้นเพราะว่าสมองเนี่ยมันจะย่นย่อเวลาแต่ละปีแต่ละปีที่เหตุการณ์มันซ้ำสร้าจำเจเนี่ยทำให้รู้สึกว่าแต่ละปีนี่มันหดสั้นพอ ร, รู้สึกว่าแต่ละปีมันหดสั้นเนี่ยก็เลยความรู้สึกก็คือมันผ่านไปเร็วในขที่เด็กเนี่ย วัยรุ่นเนี่ยนะแต่ละปีแต่ละปีมันมีอะไรแปลกแปกใหม่ๆตอลอดเวลาไม่ใช่ปีอย่างเดียวนะเดือนอาทิตย์หรือว่าวันเนี่ยนะมันก็มีอะไรแปลกแป ล, แปลใหม่ๆอยู่เสมอได้ไปที่นทนที่นี่ได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เจอคนที่หลากหลาย ได้ไปดูหนังเรื่องแล้วเรื่องเล่ า, ลาได้ฟังเพลงสารพัดได้ไปเที่ยวตามที่ต่างๆแต่เราอาทิตย์แต่ละเดือนนี่โอ้มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเรอาอัดแน่นมันก็เลยรู้สึกว่าแต่ละเดือนหรือแต่ละปีนี่มันมันยืดยาวไอ้ความรู้สึกว่าแต่ละเดือนแต่ละปียืดยาเหนี่งก็ก็เลยรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้าแต่ละปีมันผ่านไปช้า เพราะมันยืดยาวในความสุของเขาในขณะที่คนแก่เนี่ยแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าหดสั้นลงเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรที่แปลกใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วซึ่งอันนี้สาหรับคนแก่นี่จจำนวนไม่ไม่น้อยนี่ก็ไม่ชอบนะ เพราะการที่เวลาผ่านไปเร็วมันก็หมายว่าเขาจะมีชีวิตที่สั้นลงสั้นลงคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากจะมีชีวิตที่ยืนยา ว, วาเพราะนั้นก็ปรารถนาจะให้แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันมันผ่านไปช้าๆหรือมันยืดยาวขึ้นจะได้รู้สึกว่ามีเวลามากขึ้น แต่ยิ่งเวลามันผ่านไปเร็วผ่านไปเร็วก็เหมือนกับว่าเข้าใกล้ความตายเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีทกทคนธรรมดาก็ไม่เคยชอบเนละอยากให้เวลามันผ่านไปอย่า ง, ช, งช้าจะได้มีชีวิตยืนยาวมากขึ้นในความรู้สึกหรือว่าทําให้าห่างไกลจากความตายมากขึ้น มันก็แปลกนะใน่ณะที่เราอยากจะให้แต่ละปีมันยืดยืดยาวแต่เราอยากจะให้แต่ละวันมันผ่านไปเร็วเพราะถ้าแต่ละวันผ่านไปเชื่อง้านี่มันก็หมายความว่าเป็นวันเวลาที่น่าเบื่อเวลาเรารู้สึกเบื่อเหงาเสง่ยหรือว่ามีความทุกข์เนี่ยมันจะรู้สึกว่าแต่ละวันแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงผ่านไปช้านะ พระที่มาบวชใหม่แล้วก็มาจำพรรษาเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันยั่วสื่อมันเชื่ อ, องช้ามากเลยยิ่งไม่ใช่พระก็ได้นะเป็นคารวาสที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีก็แค่สามวันห้าวันเจ็ดวันแต่รู้สึกว่ามันผ่านไปอย่างเชื่ อ, องช้ามากไม่เหมือนกับเวลาไปเที่ยวเลยนะยิ่งไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆอู้มันทําไมมันเวลามันผ่านไปเร็วอย่างนั้น ในด้านหนึ่งคนแก่ก็อยากจะให้เวลามันผ่านไปช้าเลยได้สึกว่ามีชีวิตยืนยาวขึ้นแต่ในเวลาในอีกด้านหนึ่งก็รู้สึกว่าเวลาที่ผ่านไปช้าแต่ละวันเนี่ยมันมันหมายถึงช่วงเวลาที่น่าเบื่อให้ความสูงคนลําก็ปรารถนาสิ่งที่ย้อนแย้งในเวลาเดียวกันอยากให้เวลาผ่านไปช้า แต่ก็อยากให้ตะลวันผ่านไปเร็วนะเพราะว่าสาหรับตะลวันคนของคนสูงวัยบางทีมันมันน่าเบื่อโดยเฉพาะคนแก่สมัยนี้ซึ่งไม่ค่อยมีอะไรทำตะลวรนมันรู้สึกผ่านไปช้าเพราะมันน่าเบื่อและยิ่งรู้สึกว่ามันน่าเบื่อเท่าไรยิ่งย้ายมันผ่านไปเร็วก็มึ พระที่มาจาํำภาษาใหม่ๆพระนวากกะเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันอยา้มันผ่านไปเร็วไอ้วี่มันผ่านไปเชื่องช้าเลยเกินยิ่งนับวันถอยหลังนับวันสึกเนี่หรือนับวันออกภาษาเนี่ก็ยิ่งรู้สึกมันผ่านไปช้อชาอยาให้เวลาผ่านไปเร็วๆแต่ว่าการที่เวลาผ่านไปเร็วนั้นก็หมายความว่ า, า, เ, า, วาเราก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีหรือใกล้ความตายเข้าไปเร็วขึ้น พอนึกแบบนี้เข้ามันก็ชะ ง, งักนะไม่อยากให้เวลาผ่านไปเร็วเพราะยังไม่อยากเจอจุดจบของชีวิตเร็วเกินไปแล้วก็ตามสาหรับคนแก่ที่อยากจะให้เวลาแต่ละปีมันผ่านไปช้าจะได้รู้สึกว่าตัวเองมีอะไรมีชีวิต ย, ยืนยาวขึ้นเนี่ยเขาก็แนะนำนะภูรูเขาก็แ น, นนะาแ น, นาว่าต้องหาอะไรทา ที่มันแปล ก, ปก ใ, หใหม่ๆบ้างไปเที่ยวที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าลองไปเรียนไปเข้าคลาสเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการที่ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเจออะไรที่ไม่เหมือนเดิมมันจะช่วยทำให้รู้สึกว่าเวลามันยืดยาวขึ้นและความสู้ว่าเวลายืดยาวขึ้นก็หมายความว่ามันก็จะ ดำเนินไปอย่างช้าช้าลงนะสมใจอันนี้เขาก็แนะนำนะคนที่สูงวัยถ้ารู้สึกว่าอยากจะให้เวลาแต่ละปีมันผ่านไปช้าๆ้าก็ต้องหาอะไรทำที่ไม่สำสักจําเจจะเป็นการทำก็เป็นการเที่ยวจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็รู้แล้วแต่ช่วยทำให้เวลามันยืดยาวขึ้น เวลาแต่ละปีนะมันยืดยาวขึ้นเนะะี่ยคที่เวลาแต่ละวันมันผ่านไปเร็วแต่จริงแล้วเนี่ยจะว่าไปเนี่ยในแง่ของชาวพุทธเนี่ยนะหรือในแง่ของธรรมะเนี่ยเวลามันจะผ่านไปชา้าหรือมันจะผ่านไปเร็วเนี่ยมไม่เคยสําคัญเท่าไหร่นะสิ่งสําคัญอยู่ที่ว่าแต่ละวันแต่ละชั่วโมงเนี่ย มันมีคุณค่าแค่ไหนเราใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันยังมีคุณค่าแค่ไหนเวลามันจะผ่านไปช้าหรือผ่านไปเร็วไม่ใช่เรื่องสำคัญรวมทั้งอายุจะยืนหรืออายุจะสั้นนี่มันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนแต่ละปีที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราใช้อย่างมีคุณค่าอย่างมีความหมายแค่ไหน ทำความดีเพื้อเือเกื้อกูลผู้อื่นหรือว่าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะต่อส่วนรวมไหมยิ่งอันนั้นคือว่าเนี่ยแต่ละนาทีนะที่ผ่านไปหรือแต่ละนาทีที่ดำรงอยู่เนี่ยเรามีความรู้สึกป่่งโล่งผ่องสายเบิกบานหรือเปล่า หรือว่าเราอยู่อย่างเศร้าหมองอยู่อย่างหดหู่ถ้าเราใช้หรืออยู่ในแต่ละนาทีแต่ละวันยังมีคุณค่าด้วยความรู้สึกที่เบิกบานแจ่มใสรวมทั้งรู้สึกเต็มตื่นหรือตื่นเต็มนยกับแต่ละนาทีกับแต่ละชั่วโมงอันนี้สำคัญกว่า ผู้ใหญงคือว่าเราแต่ละนาทีนะแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราอยู่ด้วยความรู้สึกตัวหัหยเต็มตื่นหรือเปล่าหรือว่าอยู่ด้วยความหลงอยู่ด้วยความมัวเมาหรือจมดิ่งอยู่ในอารมณ์ต่างๆ่าอันทาเราอยู่ด้วยความรู้สึกที่สดชื่นเบิก บ, บาน มีความเต็มตื่นหรือรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยนนี้ต่างหากที่สำคัญกว่าไม่ว่าจะชีวิตจะยืนยาวหรือสั้นไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปหรือผ่านไปช้ามันจะไม่ใช่เรื่องสำคัญนั่นก็บอกว่าเรามีสติอยู่กับแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็ช่วยทำให้ วันเวลามันมีคุณค่าขึ้นมาแล้วที่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าว่าเราดำเนินชีวิตด้วยใจที่อยู่กับปัจจุบันขณะมันก็จะทำให้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะหรือแต่ละแต่ละนาทีเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นไปอย่าง ที่เรียกว่าไม่เร่งรีบแล้วก็มีคุณค่าด้วยแต่ใหม่ๆนะคนที่มาเจริญสติเนี่ยโดยเพพาะเมื่อฝึกสติใหม่ๆเนี่ยโอ้มันจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปชื่องช้าแล้วก็รู้สึกน่าเบื่อเพราะว่ามันไม่มีสิ่งเร้า ที่คอยกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นเหมือนกับตอนที่ใ ช, ช้ชีวิตตามปกติอย่างที่เคยเป็นไม่มีโทรศัพท์มือถือให้เล่นไม่มีเพลงให้ฟังไม่มีหนังให้ดูไม่มีเพื่อนให้พูดคุยไอ้สิ่งเหล่านี้ลดแต่เป็นสิ่งเราที่ทำให้เวลามันผ่านไปเร็วแต่ว่ามันกลับไม่มีคุณค่าเลยในอณะที่มา เดินสติอยู่กับตัวเองเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือตามลมหายใจใหม่ๆนี่มันก็จะน่าเบื่อเพราะอิเลียบทเดิมๆไม่มีสิ่งเล่าไม่มีสิ่งเสพมากระตุ้นให้ใจมันตื่นเต้นซึ่งสำหรับคนทั่วไปก็ตัวเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะ เพราะความสุขของคนสมัยนี้เนี่ยหรือความสุ ข, ขคนทั่วไปเนี่ยมันก็คือการที่ถูกกระตุ้นเราเพลงก็ดีหนังก็ดีอาหารก็ดีมันให้ความสุขกับเราเพราะมันไปกระตุ้นเราเราจิตกระตุ้นกายแต่พอมีสิ่งเร้าเนี่ยมันก็กลายเป็นหงอยกลายเป็นเหง า, าเดี๋ยวพอเมื่อมาเจริญสติมาภาวนาอยู่คนเดียว แต่ถ้าทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเนี่ยพอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสติ ท, ท, ทุที่ช่วยทําให้จิตมันเต็มตื่นเนี่ยโอ้มันจะรู้สึกเบิกบานมันจะรู้สึกโปร่งโล่งเบาวสบายเนี่เกิดความสงบขึ้นซึ่งมีรสชาติแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะรู้สว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียว ถ้าว่าเราจเจริญสตินะอยู่กับปัจจุบันในสิ่งที่เป็นปัญหาของคนรุ่นนี้เนี่ยสมัยนี้เนี่ยก็คือว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเนี่ยมันก็จะลดลงเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนเนี่ยนะคนก็มักจะบ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วมันก็เป็นที่น่าสังเกตว่ายิ่งคนเรามีเครื่องทุนแรงมากเท่าไหร่ มีเครื่องทุนเวลามากเท่าไหร่ผู้คนก็มักจะรู้สึกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาซึ่งต่างจากคนสมัยก่อนหรือชาวบ้านในชนบทนี่ไม่มีเครื่องทุนเวลาทุกอย่างต้องทำกันนะด้วยตัวเองจะหุงข้าวเนี่ยต้องใช้เวลาเนี่ยครึ่งชั่วโมง หรือว่าจะเดินไปจะเดินทางไปไหนก็ใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงแต่ค่าไม่เคยมีความรู้สึกว่าไม่มีเวลาแต่คนสมัยนี้กลับสวดไม่มีเวลาไม่มีเวล า, าทั้งที่อะไรแล้วก็ทุ่นเวลามีเครื่องทุ่นแรงสามารถจะทำหลายอย่างพร้อมกันเช่นถุงข้าวซักผ้านะทำพร้อมกันได้เลยเพราะใช้เครื่อง แทบไม่ต้องเดินมีรถหรือไม่ต้องใช้รถใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารแต่คนเขาสึกว่าไม่มีเวลาอันนี้มันเป็นสัญญาณว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าใช้เวลาอย่างไม่มีคุณค่าใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่ค่อย ส, สำคัญเท่าไหร่ใช้เวลาไปกับการกระตุ้นและสิ่งเสพมันจะดีกว่าถ้ารู้สึกว่า เวลาเหลือน้อยนะล้วคนที่รู้สึกว่าเวลาเหลือน้อยนี่มันจะมีมุมมองต่อชีวิตแตกต่างไปนะคนที่รู้สึกว่าเวลาไม่มีไม่มีเวลานี่จะปล่อยชีวิตใหวุ่นวายแต่ขณะที่คนที่รู้สึกว่าเวลาเหลือน้อยเนี่ยนะก็จะให้ความสําคัญกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะเมื่อรู้ว่าเวลาในโลกนี้เหลือน้อยลง ก็ต้องทำแต่สิ่งที่สำคัญไอ้สิ่งที่ไม่สำคัญก็ตัดทิ้งไปหรือทำให้มันน้อยลงแล้วก็ใครเดียวกันก็พยายามทำหน้าที่ของตัวไม่ให้ค้างคาเห็นความสำคัญการทำความดีเห็นความสำคัญการฝึกจิตฝึกใจเพราะว่าเวลาเหนือน้อยลงแล้วมันจะทำให้เกิดความไม่ประมาทมากขึ้นไม่ประมาทกับชีวิตไม่ประมาทกับ ความสุขที่มีชีวิตที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราใช้ชีวิตไปในทางที่ถูกต้องใช้เวลาไปในทางที่มีคุณค่ามากขึ้นในขณะที่คนที่บ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลานี่ชีวิตกับเหนื่อยล้านแล้วก็บางทีก็ถูกกระแสสังคมพัดพาไป ตัวไม่ทันตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวกว่าจะรู้ว่าเวลาเหลือน้อยก็สายไปซะและ้วนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเร็วหรือผ่านไปช้าสิ่งสำว่าคือเตือนตัวเตือนใจอยู่เสมอนะว่าเวลาเราเหลือน้อยลงแล้วยิ่งปีใหม่กำลังใกล้เข้ามานั่นก็หมายความว่าเรา ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีก็ถามตัวเ อ, องว่าเนี่ยเวลาที่เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนี้เราจะใช้อย่างไรให้มีคุณค่าเวลาเนี่ยถ้าว่าเราใช้ให้ดีก็มีประโยชน์หรือว่ามีท่าทีมุมมองต่อเวลาอย่างเช่นถ้าเรามองว่าเวลาเนี่ยย่อมกืนกินสปปรรพสิ่งกับทั้งตัวมันเอง เวลาแต่แลนะนาทีมจะมีคุณค่าและขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งกระตุ้นให้เราเร่งทำความดีเร่งฝึกสติเร่งทำความเพียรเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจชีวิตแต่ถ้าเราบางคนก็มองเวลานี่เป็นศัตรูนะเวลาเป็นศัตรูเพราะเวลาที่ผ่านไปก็หมายถาว่าทำให้เราแก่แก่เร็วขึ้นทำให้เราใกล้ความตายมากขึ้น คนจนไม่น้อยนี่มองเวลาเป็นศัตรูถึงกับหรือบางทีก็มองเวลาว่ามีคุณค่าต้องฆ่าเวลาฆนะ่าเวลาแต่ถ้ า, ามองเวลาเนี่ยเเป็นเครื่องเตือนเรานะยิ่งเวลาเหลือ น, น้อยยิ่งตั้งอยู่ในความไม่ประมาแล้วยิ่งต้องเล่นนะทําความดีต้องเล่นฝึกฝึกเจิตฝึกใจให้มันคงเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อนะความทุกข์หรือว่าความแก่ความเจ็บความป่วยและความตายที่ จะตามมาอันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่เวลาเขาจะเตือนเราก็นับว่าเป็นครูที่ช่วยทำให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมากขึ้น